การบรรยายครั้งนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องอนาปานสติหมวดที่สองคือเวทนานุปัสนามีความต่างจากหมวดที่หนึ่ง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 ทุกครั้งที่หายใจศึกษาเวทนาจนรู้เรื่องเวทนาทิ้งที่สุดแก้ปัญหาทุกอย่างได้ <c oughs> ตอนแรกนี่ขอทำความแนะนำให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเวทนากันสะก่อ <c> น <oughs>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 ต e, ามที่มันต้องการเวทนาอย่างไรเมื <c oughs> <c oughs> ่อแท้เนื่อนในของสิ่งที่เรียกว่าโลกโลกนี่มันก็คือสิ่งที่เรียกวเวทนานั่นแหละ <c oughs> ถ้าไม่มีเวทนาในโลกคนก็ไม่อยากจะอยู่ในโลก <c oughs> <c oughs> ในโลกนี่เป็นที่เ่องหาเวทนานหะ้ตามที่เขาต้องการ เวทนามีอำนาจเหนือมนุษย์มนุษย์อยู่ใต้อำนาจของเวทนาเวทนามันชักนำไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาซึ่งคลอดออกมาจากเวทนานั่นเองชาควบคุมเวทนาได้ มันก็คือควบคุมโลกทั้งหมดได้เพราะว่าสสนเหหรืออัาธะอะไรของโลกหมดก็คือเวทนานั่นแหละมันมีค่าอยู่ที่ตรงนั้นแหละิางทีจะไกลไปถึงกับว่าถ้าเราอยู่นอกอำนาจของเวทนาก็คืออยู่นอกอำนาจของพระเจ้า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 ทีนี้ก็จะมาดูการตั้งต้นปฏิบัติอนนาปานสติหมวดที่สองก็อย่างที่กล่าวแล้วของตนว่าไม่นั่งเป๋านกหวีดทุกลมหายใจเขาออกแต่ถึงอย่างนั้นก็ดี ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งต้นมาตั้งแต่การนั่งเป่านกวีดคือ <c oughs> ต้องย้อนกลับไปทําหมวดขั้นต้นหมวดต้นมาตามลําดับหมดต้นขั้นต้นมาตามลําดับตามลําดับจนสุดก็หมวดต้นแล้วจึงจับหมวดถัดมา okay. นี่มันเป็นกฎตายตัวของการปฏิบัติ กรรมฐานโดยเฉพาะอนนาปานสติภาวนะฮะวันนี้เวลานี้จะลงมือปฏิบัติขั้นไหนตอนไหนก็ตามจเถอะแต่แกต้องตั้งต้นลงมือมาตั้ ง, ตงแต่เอ อ, อันแรกสุดอีกละเรียบเหมือนกับเราเรียนท่องจําเรียนสวดมนต์เรียนอะไรท่องจำพิมพมากกวายสูตรยาวๆเนี่ยปาติมโมกข์เป็นต้น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 วันนี้ท่องได้เท่านี้จำได้แล้วพอพรุ่งนี้จะท่องต่อไปก็ต้องตั้งต้นมาแต่ต้นนัมนมาถึงเงื่อนสุดแล้วก็ต่อกันไปอย่างนี้ดีที่สุดถอแต่คนขี้เกียจเขาไม่ทำอย่างนั้นอันนี้เขาอยากจะท่องตรงไหนเขาก็ท่องตรงนั้นแต่มันก็ไม่เชื่อมไม่เชื่อมเป็นสายเดียวกันอย่างแนบเนียนทำอาณาปานสติมันก็ต้อง ตั้งต้นมาตั้งแต่แรกขั้นแรกขั้นเป่านกวีดพุทราไปอืมเดี๋ยวนี้มาถึงขั้นที่จะเวทนาจะจะจะจะกระทามาทีเกะกับเวทนาขั้นที่สีในหมวดกายานะทำลงหายใจให้สงบะงอัอม ก็ลงมือทําใหม่ทํำมาอย่างซ้ําอย่างย้ <c> ่ำ <oughs> มาถึงที่สุดแห่งขั้นนี้ทําลมหายใจให้ระ ง, งับร่างกายเนื้อก็อระ ง, งับระบบปษษษระสาทก็ระงับนี่ะทํากายสังขารให้ระ ง, งับการที่ลมหายใจระ ง, งับเนี่ยมันทิ้งอะไรไว้ คิดเกิดความรู้สึกพอใจว่าทำได้ปีติและเป็นสุขหนึง่งถ้าเราทำให้ลมหายใจระ ง, งับได้ในขั้นที่สี่ของหมวดที่หนึ่งมันมีผลพลอยได้ออกมาเป็นความพอใจคือปีติแล้วก็เป็นความสุข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 สิ่งนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่เราเจตนามันเป็นข้องมันโดยอัตโนมัติสิ่งที่ทําสาเร็จหรือความสาเร็จนั้นทำให้ดีใจให้พอใจพอใจเพราะทาสำเร็จหรือพอใจเพราะรถเลิศรถใหม่เกิดขึ้นมาก็จะพอใจกันแล้วกัน พอใจแรกๆเรียกว่าปีติมีการสู้ซ่าคือว่ามันเดือดที่กล่าวว่าเป็นตัวอย่างในคำพีเลย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 ยุลงไปมันรวงับช่างหัวมันช่างหัวมันอย่าไปรู้สึกปหลาดือเห็นเป็นของวิเศษวิโสแล้วมันก็จะสงบลงเป็นความรู้สึกตามธรรมดา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 เรียกว่าพระปีติซะด้วยพระปีติคอยพระปีติองค์นั้นจงมาคอยพระปีติองค์นี้จงมาคอยพระปีติองค์นั้นจงมาแล้ว <c oughs> ก็รู้ได้โดยอาการของพระปีตินนะัอาการที่รุนแรงโครงเคลงมากก็จะอุปเพลงคาอุบเพลงคาปีติซาบซ่านไปก็พระพรรณาปีติเป็นพระทั้งนั้นะ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 ปีติลุงว่าตะมาคนหนึ่งเขาก็เคยทำอย่างนี้เ้วก็เคยเล่าให้ฟังแรรมฐทานแบบเขานะอยู่ในกุดเล็กๆยาชันมิดอัดมืดนั่นน่ะจิตมันเสียสมดุลมันนึกอะไรได้มันสร้างอะไรได้ด้วยที่ความผิดปกติของอากาศในในในในกุดเล็กๆที่ปิดอัด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 จ <c oughs> นกระทั่งว่าจะชนะมันอาอนาปานาสติขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สองหรือจะเรียกว่าขั้นที่ห้าของทั้งหมดก็ตามใจมีบทสูตรว่าปิติปฏิสังเวทีขั้นที่หกมีบทสูตรว่าสุขปฏิสังเวที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 ถ้าเราเรียนในห้องเรียนเป็นปีติอาคาเน่าคาดกันเน่ความสุ ข, ขาคาดกันเนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เราไม่ใช่ไม่ใช่ใชปีติาคาดกันเนกําหน ด, าดคาดกันเน่ไมันจะต้องเป็นปีติที่กําลังรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกอยู่ในใจเอามาจากไหน <c oughs> แล้วแต่แต่ว่าถ้าอาณาปานสติสมบูรณ์ถูกต้องแล้วมันเอามาจากขั้นที่สี่ สุดท้ายเขงหมดกายเนะ่ประสบความสำเร็จพอใจพอใจถือเอาให้ดีถือเอาให้ถูกต้องถือเอาให้พอดีเป็นความรู้สึกปีติมาทราบซ่านอยู่ก็ได้เอามาใส่ไว้ในความรู้สึกเหมือนกับว่านั่งอาบน้ำปีติ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 นี่จะเรียกว่าปีติปริสังเวทีเอามาเป็นอันเดียวกับชีวิตเหมือนกับว่าอาบเหมือนกับว่าอาบอาบน้าปีติขอ้อนี้ปีติปริสังเวทีทีนี้ก็ไม่อาบเล่านะ เหมือนกับว่าเราอาบน้ําแล้วก็รู้สึกเย็น<ฮ>รู้สึกสบายอะไรรู้สึกอะไรหลายหลายอย่างเกี่ยวกับน้ําที่มันอาบลงมาเดี๋ยวนี้เราอาบน้ําปีติเราก็รู้สึกอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างเกี่ยวกับปีติมันมีธรรมชาติอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรมันมีอาการอย่างไร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 มันสัมผัสกับระบบประสาทอย่างไรมีอาการทำให้เป็นอย่างไรแล้วที่สำคัญอ่ะมันที่สาคัญกว่านั้นคือมันมีอิทธิพลอย่างไรแก่ความรู้สึกแก่ร่างกายน่ารักหรือน่า ก, กลัวหรือน่าสงสัยแล้วก็ว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ความรู้สึก แต่รู้จักให้ดีๆว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรน่เพราะนั่ น, นเป็นใจความหรือเป็นความลับที่จะต้องศึกษาจะต้องจับให้ได้มันมีขอบเขตเท่าไรข้อความในพระคัมภีร์ก็มีเล่าเรื่องถึงสัตว์จำพวกหนึ่งมีปีติ เป็นพักษาปีติพักขาให้มันมีปีติเป็นอาหารมันไม่ต้องกินข้าวกินปลามันหล่เลี้ยงชีวิตอยู่ในปีติให้เขาเรียกว่าเป็นพรหมนุเป็นพรหมชนิดหนึ่งซึ่งคุณคุณก็ไม่รู้จักอีกว่าพรหมนั้นเป็นอย่างไรชีวิตที่มีระบบจิตใจ <c oughs> มีชีวิต อยู่ด้วยปีติเป็นอาหารพระพุทธเจ้าก็เคยมีปีติเป็นอาหารไม่ต้องชั้นข้าวชั้นน้ำเจ็ดวันอันนี้ก็มีกล่าวถึงในกคมพีเหมือนกันนี่ดูอิทธิพลของมันสิข้อความในอัตกากถาหรือใอหนังสือที่ยืดยาวกออกไปเจ็ดวันเจ็ดผลเป็นสี่สิบเจ็ดวันไม่ต้องชั้นอาหาร นอกจากปีติให้มีปีติเป็นอาหารที่นี่ทำความคุ้นเคยกับปีติเป็นเกลือกับปีติจะด้วยความมันม่นหมายด้วยความจำหรือด้วยความอะไรก็ตามมันเป็นอย่างไรมันทราบสั้นอย่างไรมันจำไว้สนิท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 ดันเดียวนี้การปฏิบัติขั้นที่ห้านี้ก็นั่งอาบอยู่ด้วยปีติซึมซาบในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับปีติจึงได้เรียกว่าใน ป, ปีติปฏิสังเวทีคนโง่คนธรรมดาก็สูญเสียสติสัมปชัญญะหลงไหลไปในทางบว ก, บวกทางลบอะไรก็ไม่รู้ จะวมาพระโยคยีที่แท้จริงไม่หลงไหลขนาดนั้นะรู้ว่าปีติเป็นอย่างไรปีติเป็นอย่างไรเท่าไรอย่างไระไม่ต้องสูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ต้องเป็นบวกเป็นลบอะไรแหกเกี่ยวกับปีตินี่ก็นั่งฝึกดื่มปีติดื่มปีติดูดดื่มในปีติอะไอาง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 เมื่อ ก, กี้นะ่ะปีติไปสิ้างเวทีเดี๋ยวนี้สุขะไปสร้งเวทีอะไรต่างๆก็มาคลายๆลายกันกับเองปีตินะคือนั่งอาบนา้าความสุขเมื่อปีติอันฟุ้งซ่านได้ระ ง, งับลงมาเป็นความสุขสงบแล้วก็นั่งอาบนา้าความสุขอยู่ นี่เรียกว่ารูพร้อมเฉพาะซึ่งความสุขความสุขนี่จะมีมากมีมากจนถึงก่บลุกเดินไปไปยังสุขอาบน้ำความสุขอยู่ไปนั่งไปเดินไปยืนไปนอนที่ตรงไหนไปยังอาบน้ำความสุขอยู่นี่จะคงจะช่วยอธิบายนะความหมายของพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่า ไยส ม, มาธิถ้าจริงถึงที่สุดแล้วนั่งอยู่ที่ตรงไหนก็อันนั่งบนอนาสนะทิพย์ไปยืนตรงไหนก็เป็นยืนที่ยืนทิพย์เดินตรงไหนก็เป็นที่เดินทิพย์นอนตรงไหนก็เป็นที่นอนทิพย์เข้าใจว่าหมายถึงอันนี้หมายถึงปีกีเลยสุดที่อาบรดอยู่เ <c oughs> จ้าความแนบแน่นอันนะับเป็นอ อัปปนาสมาธิเป็นเอกคต า, าไปด้วยนั้นคงไม่ได้ละถ้าเพียริยาบทนะแต่ว่าผลของปีติผลของอัปปนาสมาธินี่ยังอยู่เป็นปีติเป็นสุขติดไปเหมือนกับว่าเรารักใครโกรธใครอย่างรุนแรงเราจะไปทําอะไรไปเดินไปนั่งไปนอนไปกินไปอันนั้นก็ยังรู้สึกอยู่ในในจิตใจแหลนะขนะอให้ทำเป็นอย่างนั้นเถอะ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 รู้สึกเป็นธรรอันเดียวกันกับความสุขรู้ธรรมชาติแหงความสุขลักษณะอาการแหงความสุขอิทธิพลแหงความสุขขอบเขตแหงความสุขกวาข้างไกลแค่ไหนรู้จักธรรมชาติของมันภาษาบ้านนอกเราเรียกว่ารู้จักกรรมพืชของมัน ถ้าจะรู้จักอะไรให้ดีก็ต้องรู้จักถึงํำพืชของมันคำนี้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ความหมายให้ดีว่ารู้จักมันหมดลึกซึ้งถึงนห่ต้นตออะไรของมันอดีตอนาคตอะไรของมันรู้หมดรู้จักคำพืชของมันเรารู้จั ก, กํำพืชของปีจิรู้จั ก, กํำพืชของความสุขนี่ต้องการจะควบคุมมัน เมื่อพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ซักซ้อมรับเอาซักซ้อมซักซ้อมย่ำย่ำย ย, ยหรืออาบอาบอาบอาบอาบให้มันถึงจิตถึงใจลืมไม่ได้การปฏิบัติในครัน้นี้จึงนั่งซักซ้อมหรือเพิ่มพูณในปีติเพิ่มพูลความสุขอยู่ในที่นั่งเจริญนาปานสตินั้น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 ขั้นที่หกเอามาใช้ทำน้ำอาบเสียผิดกันหน่อยก็จะว่าอาบจิตใจไอ้น้ำธรรมดานี่มันอาบร่างกายไอ้น้ำปีติสุขนี่มันอาบจิตใจถ้ามันเกิดความเย็นมันก็เย็นทางจิตใจคู่กันกับเย็นทางกายาอาบน้ำใน ถุ่มไหนนี่เ ย, ย็นกายอาปอาบน้ำปีจิสุดนี้มันก็เย็นใจเมื่อไรก็ได้นะมันเก่งมากนะเก่งมากถึงเมื่อไรก็ได้เพราะมันซักซ้อมกันไว้มากเลนเป็นเป็นอันเดียวกันไปเลย <c oughs> ควรจะรู้สึกความลับอย่างหนึ่งไว้ด้วยว่าให้ความสุขหรือความพอใจอย่างนี้ให้มันเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งสิ่งที่เรียกว่านันทินันทิความพอใจ จนกลายเป็นถึงจนกลายไปเป็นนันทิราคะนันทิราคะนันที่ททจับกิจจับใจเหนียวแน่นนันทิราค ะ, ะมีพอใจในปีติและสุขเป็นนันทินั่นนันทินั่นแหละคืออุปาทานรู้ว่าเลยว่านันทินั่นแหละคืออุปาทาน แล้วพระเจ้าปัดอย่างนี้ในตัวๆภายในบาลีนันทิปาทานนัะนนันทินั่นแหนะละคืออุปาทานอุ่ปาทานนั่นแหละให้เกิดทุกข์คือไปนันแันนทิสิ่งใดมันก็ยึดมันในสิ่งนั้นยึดมันในสิ่งใด ม, มันมีความหนักเพราะสิ่งนะั้นจนบ้าจนลงไปนี่เราจะรู้เท่าทันปีติรละสุขอย่างมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมา เรามีเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติยศศักดิ์บริวารอำนาจวาสนาถ้าเป็นนันที่เป็นอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นแล้วมันจะมาอยู่บนหัวบนศีรษะด้วยไม่ต้องเป็นถึงอย่างนั้นรู้ว่ามันเป็นเพียงเค่านั้นแล้วก็ไม่ต้องถึงอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันถ้ามันอร่อยพอใจสุดเหยงแล้วมันมันก็ต้องมีนันทีแล้วก็มีอปาทาน งบอกรู้บอกให้รู้ไว้เป็นการลว่องน่าว่าความลับมันมีอยู่ที่ตรงนั้นเทียมมันลายเป็นนันทิหรือเป็นอุปาทานขึ้นมาแล้วมันกลายง่ายที่สุดหรือมันเกิดได้ง่ายที่สุดนี่ต้องรู้ไว้ที่มันจะเป็นคุณมันจะกลายเป็นโทษขึ้นมานะปิติและความสุข ถ้าบ้าท้าเมาถ้าหลงแล้วก็มันก็ไม่ไหวแล้วมันจะไายขาดยิ่งกว่าความทุกข์ไปหน่เรารู้เรื่องดีมาแล้วเกี่ยวกับอุปาทานนะมีอุปาทานยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อย่าไปยึดมัน่นชนิดอุปาทานขึ้นมาขอให้รู้ไว ทีนี้ก็มาถึงขั้นที่เจ็ดขั้นที่เจ็ด <c oughs> บทสูตรว่าจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตะจตะสังขานจิตตะสังขารคือเครื่องกรุงแต่งจิตจิตในที่นี้เป็นความรู้สึกคิดนึก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 บวกก็คิดไปอย่างลบก็บคิดไปอย่างนี่เวทนาสุขก็คิดไปอย่างเวทนาทุกข์ก็คิดไปอย่างเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็โง่ก็สงสยัยมัวลงอยู่ที่นั่นนะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมีปัญหาทั้งนั้นอะเวทนาไม่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกข์มาสุขก็ดีถ้าไม่เกิดความคิดกลุ่มขึ้นมาเรียกว่าจิตตะสังขาร นี่เรียกว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะถ้าควบคุมไม่ได้นะเ <c oughs> วทนาทาใหบันดาลความรักจนเกิดการฆ่ากันตาย <c oughs> นี่เวทนาทำให้เกิดความโกรธความเกลียดจนฆ่ากันตาย <c oughs> มันปรุงความคิดอย่างรุนแรง <c oughs> ข้อนี้ก็เหมือนกันนะต้องไปดูที่ความรู้สึกนะ จะเรียนจากหนังสือหรือบอกกันเน่ยมันยากฮนะไปด้วยความรู้สึกที่เป็นเวทนาแล้วมันจะทําให้ทนอยู่ไม่ได้น่ารักก็รักน่าเกลียดก็เกลียดน่าโกรธก็โกรธน่ากลัวก็กลัวน่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้ น, นแถมพิจบทั้งวนไปถึงอดีตหวังไปในทางอนาคตพระเวทนาทั้งนั้นน่ง ปรุงความคิดร้อยอย่างพันอย่างความหึงทางการมารมอย่างเลวร้ายที่สุดนั้นมันมาจากเวทนาเวทนานั่นแหละมันปรุงความห่วงแล้วก็ปรุงความหึงแล้วมันก่ากันตายอย่าง <c oughs> เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องเวทนาดังที่กล่าวแล้วทั้งตัทั้งหมดมันรวมอยู่ที่เวทนา เอาชนะเวทนาได้อย่างเดียวกับชนะโลกทั้งโลกเลยพระพุทธเจ้าท่านจึงยกจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่จะเกิดตัณหาปานและความทุกข์เงื่อนต่อที่ตรงเวทนาหรือเขย่าไปอย่างนี้ก็ผัดส่ผัดส่เกิดเวทนาตรงนั้นระวังให้ดีมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ตรงนั้นจะไปทางร้ายหรือทางดีจะไปทางสุขหรือทางทุกข์ เรารู้ว่ามันปรุงแต่งจิตอย่างยิ่งแล้วจิตก็ดำเนินไปตามนั้นก็เกิดการกระทาที่เป็นกรรมขึ้นมาแล้วก็มีปฏิกิริยาหรือวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมดูอะไรมันจะเกิดขึ้น โยคียปฏิบัติถึงขั้นนี้ก็มาพินิจพิจารณาอยู่โอ้ไอหมอนี่เวทนานี่สร้างโลกก็ได้ทำลายโลกก็ได้เป็นขั้นที่เจ็ดให้เป็นขั้นที่ 7, เจ็ดอ่ะทีนี้ก็มาขั้นที่แปดอรือขั้นที่สี่ของหมวดเวทนาหรือขั้นที่แปดของทั้งหมดคือสิบหกขั้นฮง ปัดส้ำพยังจิตตะสังค่ารังทำจิตะสังขารให้รังงับอยู่เพร่อรังงับอำนาจหรืออิทธิพลของเวทนานั้น <c oughs> ทำให้มันจางทำให้มันคลายทำให้มันรังงับยงในที่สุด ทำให้มันหยุดปรุงจิตสังขารคือปรุงจิ ต, ตทําให้มันหยุดปรุงแล้วก่อนที่ใจชันมันหยุดปรุง ม, มันก็ต้องมีการค่อยๆคลายค่อยๆจางค่อยๆรำงับอะไรแล้วมันจึงจะหยุดปรุงนี่เกี่ยวกับบังคับทางจิตเป็นเรื่องของสมถะยังไม่ถึงกับปัญญา แต่ถ้าไปกระโดดไปปัญญามาใชายก็ได้เหมือนกันนะระ ง, งับอิจฉพลของเวทนาแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้พูดถึงปัญญาถึงวิปัสนาเลยก็ทำวยการบังคับจิตปรับปรุงจิตตกแต่งจิตปรับปรุงจิตให้อี่เป็นปีจิตและเป็นสุขนะฮะมันถอยกำลังลงมันลดลงคือมันหยุดปรุง ตอนนี้จะยากที่สุดเป็นศิ ล, ละปะทางจิตใจที่ยากที่สุดที่จะทำให้จิตสังขารระงับลงระงับลงถ้าใครทำได้คนนั้นก็บังคับความคิดได้คนนั้นก็เปลี่ยนปรุงปรับปรุงความคิดเปลี่ยนแปลงไปได้ในทางที่ถูกต้องบังคับความคิดได้เปลี่ยนความคิดได้มันก็เป็นไปแตในทางที่ดีที่ถูกที่ควร มันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์นี่สำคัญมากอย่างนี้ทำจิตตสังขารให้ระงับได้นั่นแนหะคือชนะเวทนานั่นจะคือจะครองโลกเป็นผู้ครองโลกชนะในภายในก็คือชนะในภายนอกชนะเวทนานในภายในก็คือชนะโลกในภายนอก นันเขาให้หัดไว้เถิดโดยเฉพาะไอ้วัยรุ่นทั้งหลายคนหนุ่มทั้งหลายถ้าพวบครูมีความรุงแต่งนี้ได้นะ้รับจะเป็นคนที่ไม่ไม่มีปัญหาไม่เกิดความผิดไม่เกิดความร้ายไม่เกิดความอะไรคนวัยรุ่นบังคับจิตไม่ได้มันก็ไปตามอำนาจเล กรุงแต่งของเวทนาในจิตนั่นน่ะมันก็ได้ทําให้พ่อแม่น้ําตาไหลทําให้ตัวเองตายคาที่อะไรบ่อยๆนี่ตามเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ใครๆก็รู้มันบังคับจิตไม่ได้เนี่มันบังคับจิตตสังขารน่ะไม่ได้บังคับเครื่องกรุงแต่งจิตไม่ได้ไง มันก็ถูกเวทนากระตุ้นผลักใสเชิดจูไใสหัวไปไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปถ้าบังคับได้ก็ ไ, ไปในทางสงบสุขเย็นนี่มันยากเลยแต่ว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ทำได้วิดามันดาที่มีความเป็นพุทธบริษัทมากๆ ควรจะรวมลูกเด็กๆให้รู้จักวังคับจิตไปตามมีตามเกิดที่ทำได้แก่เด็กๆให้วังคับตนเองหรือเซ l f ์คอนโทรลเซนตคอนโทรลนั่นก็คือสิ่งนี้แหละ <c oughs> ก็บูชาพอใจกันนักนายวังคับตัวเองเนี่มันก็มีชีวิต ด, ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรนะ ยังพอใจในการบังคับตัวเองแม้ว่ามันจะเจ็บปวดบ้างก็ยินดีสัจจะธรรมะคันตีจาฆะอย่านั้นแหะใช้ได้แหละสัจจะจริงใจที่จะบังคับมันแล้วก็ธรรมะคือบังบังคับมันมันก็มีความเจ็บปวดเป็นธรรมดาก็ต้องคันตีอดกลนอดทนแล้วก็จาก่าฆะระบายเสียงบ้าบ้าบอๆเหล่านี้ออกไป เ, เรื่อยเรืเรื่อยเื่อย นี่คือลดอำนาจของจิตตสังขารมันอยากจะไปดูหนังไปดูละครไปเริงรมอยู่นี่นี่มันเป็นจิตตสังขารหลักสายไปทางนั่นแล้วก็บังคับใช้โดยธรรมะตั้งใจจะบังคับแล้วก็บังคับเมื่อไม่ได้ไปดูหนังดูละครมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดนะ มันเจ็บปวดั้องทนรู้จักทนนะแล้วก็ระบายความรู้สึกเลวร้ายนี้ออกไปจากจิตใจก็สบายดีจร <c oughs> ิงเรื่องไปดูหนังดูละครนั้นมันไม่ร้ายแรงเท่าเรื่องกามารมเรื่องเพศ <c oughs> ถูกบังคับเรื่องเพศกดดันมากเนี่ยมันฆ่าคนได้นะ <c oughs> มันฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้นะ ถ้าพ่อแม่ใช้อำนาจสิทธิ์ขาดไม่ให้เกี่ยวข้องกับกามารมณอย่างนี้มันอาจจะฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็ได้นั่นมันถึงขนาดนั้นนันรู้จักความเลวร้ายของมันวัดั่ออกมาพิจรารณาก็จะเห็นโทษเห็นความเลวร้ายของมันนี่มันจะค่อยๆเป็นไปได้ในการวังคับจิตต้องเอาโทษเอาความเลวร้ายของมันมา ตรร้องมาค่ายควนมากระทำเป็นเบื้องหน้าอยู่ในจิตใจเห็นโทษเท่าไรมันก็จะบังคับได้ลดลงได้ลดลงได้ทางนั้นเวทนาบ้าจะทำให้เป็นบ้ากูไม่เอากับมืออาตมัติชาจะเข้ามาแล้วกูไม่เอากับมึงนี่มันจะบังคับได้ พระพุทธเจ้าสัตว์แต่ละเรื่องละเรื่องล้วะมีค่าสูงสุดประเสริฐที่สุดเท่านัน้นเลยไม่เคยตัดเรื่องเลวหลไล่สาล่าเลยมีศรัทธาในเรื่องนี้คอยตั้งใจดีๆพยายามที่จะบังคับจิตตะสังขารเครื่องดุล่งแต่งจิตความผลักดันในจิตใจที่จะปรุงแต่งจิต ใช้หัวคนให้ไปทำอะไรชนิดที่เชือดคอตัวเองเรื่องเชือดคอตัวเองกลายเป็นเรื่องดีไหเพราะบังคับปิตไม่ได้เวทนาคืออย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับเวทนาคืออย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เราจะต้องรู้จักมัน นี่คือหมวดเวทนาหมวดเวทนาปิติเป็นเวทนาความสุขเป็นเวทนาเวทนาทั้งหลายเป็นจิตตะสังขารรุงแต่งจิตเราจะต้องฝึกการบังคับจิตตะสังขารนี้ให้สงบระงับ หมวดที่หนึ่งนั่งเปลานั่วีดกับลมหายใจให้รังงับให้รังงับรังงับจนเป็นผลได้มาถึงหมวดที่สองคือปีติและสุขแล้วเอามาใช้เป็นอารมณ์ก็หมวดที่สองคือปีติและสุขปฏิบัติหมวดที่สองสำเร็จเดี๋ยวนี้เรามีอำนาจใกล้พระเจ้ากันไหม <c oughs> บังคับจิตได้ก็คือบังคับโลกได้ <c oughs> โลกมันจะเป็นอย่างไรช่างหัวมัน ไม่มาทำบังคับเราได้อีกล่าฟ้า <c oughs> นักษณะก็เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องสมถะแต่ถึงอย่างไรก็ดีขอบอกดังที่กล่าวมาแล้วว่าอาณาปานสติทุกขั้นทุกขั้นมาค่อยหยอดท่ายด้วยการเห็นอนัตตา พูดสั้นๆทำเดียวว่าเห็นอนัตตาแต่ขยายความออกไปถึงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันไ่เป็นสายไปลเยลยลมหายใจก็ดีก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปีติเวทนานี้ก็ดีเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนามีเหตุมีปัจจัย เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันจะเที่ยงได้อย่างไรเล่าทำความยุ่งยากลํำบากให้เพราะความไม่เที่ยงนะี่เนี่บังคับมันไม่ได้ต่อต้านมันไม่ได้นั่นคืออนัตตาอนัตตาบังคับความไม่เที่ยงลนความเป็นทุกข์ไม่ได้มันกัดเอากัดเอาบังคับไม่ได้นี่เป็นอนัตตาฮ หรือจะมองไกลไปถึงว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีเจตพูดไม่มีวิญญาณที่ไหนจะมาเสวยปีติมาเสวยสุขอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่เห็นอนัตตาเห็นความจริงนี่แล้วก็จะเห็นธรรมธิตตาความเป็นไปเป็นอยู่ตั้งอยู่ตามธรรมดาเห็นธรรมนิยามตาโอ้กฎธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองเห็น อิทพัพปัจจยตารุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทพัพปัจเจตาแล้วก็จะได้เห็นสุญญาตาว่าจากความเป็นตัวตนความเพียงแท้แน่นอนอะไรนี่เห็นสุญญาตา้วก็เห็นตถชาตาว่ามันเช่นนี้เองโว้ย แล้วก็จะถึงจุดอะตมมยตาเห็นอย่างนี้แล้วอะไรปรุงแต่งไม่ได้โว้ยกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยนั่นน่ะอะตมยตามันก็มาแล้วย <c> น <oughs> ี่ทําอานาภนสติขั้นไหนก็ตามเถิดทุกขั้นพอสิ้นสุดขั้นนั้นแล้วก็ติดท้ายด้วยเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่นั่นไม่ใช่หนี้ ไม่ใช่เองไม่ใช่อื่นไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นอัตตานะถ้ามีความรู้เรื่องนี่เรื่องอนัตตาแล้วก็ได้ได้แก้ววิเศษได้ของวิเศษสารพัดนึกแก่ได้ทุกอย่างใครกลัวผีบ้างที่นั่งอยู่ทั้งนู่นนะยา แก้กลัวผีก็คืออนัตตาอนัตตาหรือเรื่องจิตเรื่องใจนี่เป็นอนัตตาไอ้ผีเองนั่นก็อนัตตาไม่มีตัวตนหรอกในความโง่เข้ามาเห็นเป็นอนัตตาเป็นตัวกูมันก็กลัวผีทั้งทีว่าผีก็เป็นอนัตตา ต, ตัวเองก็เป็นอนัตตาพระอรหันต์ไม่กลัวผีก็เพราะอนัตตามันถึงที่สุด ในวุตรชนมันกลัวผีก็อัตตามันถึงที่สุด น, นี่อนัตตามีประโยชน์ไม่รับเอาความทุกข์มาไม่เอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนให้มันเป็นอนัตตาของมันเถิดมันก็ไม่ทำอันตรายเราอนัตตานี่สารพัดอย่างที่จะมีประโยชน์เป็นเครื่องป้องกันก็ได้เป็นเครื่องแก้ไขก็ได้เป็นเครื่องต่อสู้ก็ได้ <c oughs> ศึกษาให้ชำนาญขึ้นใจคล่องปากคล่องคอพ อ, อ, อกลัวผีขึ้นมาอนัตตาคำเดียวผีนี้หายหมดเลย <c oughs> แต่เลยพพเพิ่งไปนด้หมดก็ไม่รู้อนัตตาจากชายเป็นประโยชน์เธอมันจะป้องกันไมไในแง่บวกไม่ลงบวก <c oughs> เรื่องสุขเรื่องอร่อยสนุกสนานก็เป็นอนัตตา เรื่องทุกเรื่องไม่อร่อยไม่สนุกก็เป็นอนัตตาเรื่องไม่แน่ว่าสุขหรือทุกข์ก็อนัตตาออนัตตาเป็นอาวุธเป็นอาวุธแห่งปัญญาเป็นปัญญาวุธิสำหรับจะ ก, กําจัดอันตรายความร้ายต่างๆคนเห็นอนัตตาแล้วไม่ต้องไปดูหมอดูให้เสียสตางโว้ย <c oughs> จังหมอไทยว่าร้ายมันก็ต้องทําดีหมอไทยว่าดีมันก็ต้องทําดีให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะนั่นแหละเราตามกฎเกณฑ์ของอนัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรทําให้ถูกต้องทํานั่นแล้วก็จะไม่เกิดความทุกข์อนัตตาทําให้เกิดอุปาทานอุปาท า, า, านไม่เกิดเพราะเห็นอนัตตาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีทุกข์ ไม่เอาขันทั้งห้าแต่ละขันหรือทั้งห้าขันเป็นตัวตนมันก็ไม่มีทุกข์อนัตตาซ่อมซักซ่อมหรือพอกพูนหรือก่อให้เจริญงอกงามขึ้นมาทุกขั้นแห่ง อ, น า, า, น า, อนานาปานสติอานาปานสติมีถึงสิบหกขั้นถ้าเราพาะปลูกอนัตตาเจริญงอกงามขึ้นมาถึงสิบหกขั้นก็สมบูรณ์ เดี๋ยวนี้มาได้เพียงแปดขั้นเพียงแปดขั้นมันก็ได้ได้ได้ได้มากเหมือนกันได้เยอะเหมือนกันขอแต่ว่าอนาปานุสติขั้นไหนจบลงไปจงเห็นอนัตตาหยอดท่า ย, ยอดท้ายมันทุกขั้นไปมันก็จะเป็นสติปัฏฐานที่แท้จริงที่สมบูรณ์ให้พ้นตรงตามความมุ่งหมาย อวันนี้พูดเรื่องหมวดที่สองคือหมวดเวทนาขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าจะทําหมวดเวทนานั่นนะต้องไปตั้งต้นทำมาแต่หมวดกายหมวดหนึ่งไล่มาตั้งแต่ต้ตนมันก็เด็กๆ เ, เรียนกอคอคอคอเงาะวันนี้เรียนได้สามตัวพอวันที่สองจะลงเรียนอีกก็ต้องไปเรียนมนจะกคอคอคอคองาะพอมาถึงตัว ง, ง, ง, งอะก็เรียนต่อไ ตั้งต้นมาแต่ต้นเสมอไปมันเชื่อมสนิทกันอยู่อย่างนี้มันจะไม่มีจุดจุดที่กลุกลักตรงนั้นจุดที่เกิดขาดตอนหรือลือมเ น, นี่ยทำอนาปานสติขั้นไหนก็ต้องไปเริ่มทามาแต่ขั้นที่หนึ่งตั้งนะเนี่ยวันนี้คืนนี้จะทาขั้นที่สองก็ลงมือทามาแต่ขั้นที่หนึ่งจนประสบความสาเร็จใน ทันที่สี่มีปีจิปราโมทเกิด ข, ขึ้นได้โดยง่ายแล้วก็ไปทํโมววเวชนาเวชนาอนัตตานะ่ะกระเสดเวชนาอนัตตาแล้วโลกนี้ก็อยู่ในกามื อ, อการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วกายก็บอกว่าหยุดได้แล้วคอยุติการบรรยาย